เรื่องกำมือที่กรุงสาวัตถีสี่เรื่องสมัยนั้นกรุงสาวัตถีเกิดข้าวยากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิตแต่ลักข้าวสารของชาวร้านตลาดไปหนึ่งกำมือแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกองเล็บเรื่องที่หนึ่ง